รายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันพูดคุยกันนะคะในทุกๆเช้าของวันพระรหั ส, สบสดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะในฉันอาธิตยาปกธานางรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็ยังคงมีกันอย่างเต็มเอียดนะคะในการที่จะมาแนะนากันนะคะว่ามีเคสหรือว่ามีกรณีใดบ้างนะคะ ที่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังนะคะในการที่จะรับฟังแล้วก็เวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์ น, นั้นๆเนี่ยเราก็จะได้ถูกคิดได้ว่าเออเราเคยฟังจากในรายการมาก่อนนะว่ามีเคสกรณีนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวหลากหลายนะที่จะนําเสนอกันในเพื่อนเตือนภัยแน่นอนนะคะในช่วงแรกของรายการนะคะกับวันนี้เป็นเรื่องราวของการเปิดให้แจ้งเมาะแสนะคะใน การที่จะจับนะคะเด็กแว้นแล้วก็แอดมินเพจชวนซิ่งนะคะซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยมีการตั้งเงินรางวัล น, นำจับอยู่ที่ 3,000 บาทเลยค่ะ พลตำรวจโทดำรงศักกิติประพัฒผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติหลักการรับงเงินค่าตอบแทนการแจ้งบอ่อแสภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กแวน้นอันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลขณะนี้นะคะซึ่งในการชับให้สังการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างจรงิงจังตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการเน้นใน4ีมาตรการเชิงรุกทั้งก่อนเกิดเหตุการปราบปรามขณะ เกิดเหตุเราไปถึงการเฝ้าระวังกลุ่มเสียงต่างๆนะคะโดยมีการดําเนินการจริงจังมา2เดือนวัดผลแล้วนะคะพบว่าสถิตินั้นลดลงจํานวนมากเลยค่ะเหลือประมาณ1 0บถเ์เท่านั้นและเพื่อให้ปัญหาการแข่งรถหมดไปอย่างยั่งยืนนะคะสํญญานักงานตํารวจแห่งชาติจึงมีความคิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยการแจ้งเบาแสเป็นคลิปวิดีโอภาพถ่ายระบุวันเวลาเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุพฤติการในการการะทําความผิดกับ ทางเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆค่ะซึ่งมีทั้งศูนย์โซเชียลมีเดียตำรวจนะคะศูนย์รับเรื่องร้องเรียน1599ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหนึ่ถ้าหากมีเบาะแสนําไปสู่การจับกุ่มการดําเนินคดีใน 3-4 ข้อหานะคะก็จะมีข้อหาเรื่องของการแข่งรถในทางสาธารณะโดยไมไ่รับอนุญาตการขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งรถหรือเป็นแอดมินเพจนะคะ โดยหลังจากที่ตํารวจจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุมได้แล้วเนี่ยผู้แจ้งเบาะแสค่ะจะได้รับเงินรางวัลนาจับ 3,000 บาทต่อ1ครั้งนะคะโดยดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิวันทําการค่ะนับตั้งแต่มีการจับกุ่มโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลที่ได้รับเบาะแสก็จะมีการปกปิดเป็นความลับนะคะแต่หากบุคคลไม่ประสงค์รับเงินรางวัลก็แจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะเบื้องต้นเงินรางวัลดังกล่าวจะเป็นเงินนอกงบประมาณแล้วก็ได้รับการสนับสนุนก้อนแรกจากภาคประชาชนนะคะอยู่ที่ 50,000 นบาทด้วยกัน โดยได้เริ่มดหเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกค่ะ ในการถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอนั้นนะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอาจจะมีผลร้ายกับผู้แจ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของกล้องหน้ารถอยู่นะคะหรือว่าถ้าหากเจอโดยบังเอิญนะคะก็แนะนำให้ถ่ายจากในรถหรือโทรศัพท์แจ้งเบาะแส ก, กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะถ้าหากว่าในเหตุการณ์เดียวกันมีการแจ้งเบาะแสหลายคนก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาการให้เงินรางวัลตามพยานหลักฐานค่ะ เปิดให้แจ้งแล้วนะคะตั้งแต่วันที่3กันยายนเป็นวันแรกนะคะใครที่อยากจะร่วมในเรื่องของการแจ้งเบาแสนะคะในเรื่องของอมี แข่งรถกันนะคะหรือมีแอดมินเพจชวนซิ่งนะคะก็สามารถที่จะแจ้งทางคุณตํารวจได้เลยนะคะพักสักสครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทค่ะตอนนี้ออกมาเตือนประชาชนนะคะระวังข้อมูลการเงินรั่วไหลเราไปถึงเรื่องราวจากฝั่งของทางด้านไทยเซอร์ด้วยนะคะก็มีการพูดถึงข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์การพานันนะคะซึ่งตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่เข้าไปในเว็บไซต์การพานันนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ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 มันก็ดีแค่ชั่วคราวแต่ความจริงทรมานรู้หรือเปล่าที่ยังอยากจะตัดใจถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบตรงเจ็บทุกไรก็ยอมแต่ถ้าค่อยๆเจ็บแล้วค่อยๆทรมาน แคนก็ไม่ถึงตายโปรดอย่าสงสารโปรดอย่าเห็นใจเพราะมันสายไปจบวันนี้ดีกว่าแตนยังให้ความหวังมันเท่าความผิดหวังมันก็ดีแค่ชั่วคราวแต่ความจริง จะตาใจถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบต้องเจ็บทุาไรก็ยอมแต่ถ้าค่อยคอยเจ็บแล้วค่อยคอย่อยจบ ในช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะในช่วงนี้มีข่าวสารจากทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าทปทอตอนนี้ก็มีการออกมาเตือนประชาชนนะคะระวังข้อมูลการเงินรั่วไหลนะคะโดยทางด้านของคุณจันทวันสุจริตกุลค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบต่มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทบทอได้รับรายงานจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอ เตอร์ประเทศไทยหรือว่าไทยเซิร์ชและศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยภาคการธนาคารหรือ ทีบีเซอร์สนะคะว่าตอนนี้มีข้อมูลรั่วไหลาจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์พนัในในต่างประเทศที่คนไทยไปใช้แล้วก็มีการคีย์ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลของทางการเงินเอาไว้นะคะจึงเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินกับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะส่วนลูกค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวนี้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลควรระมัดระวังแล้วก็ เร่งดูแลความปลอดภัยเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งที่คุณเข้าใช้บริการนะคะและหากได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเอาไว้กับเว็บไซต์พนันดังกล่าวนี้ควรแจ้งยกเลิกบัตรกับธนาคารเจ้าของบัตรและจะทําบัตรใหม่ค่ะรวมถึงต้องระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะซึ่งอาจจะมีการติดต่อใช้ข้อมูลที่รั่วไหลโทรศัพท์ส่งเมลหรือว่าเข้ามาหลอกลวงขอข้อมูลเพิ่มเพื่อนําไปใช้ในการทําทุจริตนะคะนอกจากนี้ค่ะทพท ได้มีการติดตามประสานงานกับไทเซิร์ชแล้วก็ t ีวีเซิร์ชอย่างใกล้ชิดขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการกับข้อมูลที่รั่วไหลค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนธนาคารถึงช่องโหว่บนเว็บไซต์พนันเพื่อให้เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติให้เข้มงวดมากขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะคะจะไม่ได้เกิดจากช่องโหว่ของระบบธนาคารก็ตามนะคะแต่ว่าข้อมูลที่รั่วไหลนี้ค่ะเมื่อวางคะเป็นข้อมูลที่ลูกค้าธนาคารนั้นได้ให้ไว้กับเว็บไซต์พนันต่างประเทศ ซึ่งทบทอก็จะต้องมีการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และก็ต้องมีการแจ้งเตือนลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านของไ Th ยเซิ r ์ชหรือว่าศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยนะคะก็มีการถแถลงการเตือนภัยในเรื่องนี้ซึ่งพูดถึงกรณีการตรวจพบฐานข้อมูลที่คาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันซึ่งมีข้อมูลของคนไทยอยู่ด้วยค่ะระบุว่าเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทยเซิร์ชสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิก สอพอทออหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการตรวจพบการแจ้งข่าวนะคะพบว่าข้อมูลส่วนตัวของคนไทยนั้นได้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลในต่างประเทศซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันค่ะไทยเซิร์ชเองค่ะผู้ฟังก็มีการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยจริงๆบ้างหรือไม่พบว่าฐานข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะมีรายการข้อมูลรั่วไหลทั้งสิ้นเนี่ย41ล้านรายการ และเป็นข้อมูลการทําธุรกรรมของคนไทยที่ทํารายการพันธุไว้ไซการพนันจํานวน 3.3 ล้านรายการด้วยกันนะคะมีข้อมูลส่วนตัวของคนไทยมีชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์วันเกิดหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ยังมีหมายเลขบัญชีธนาคารที่รั่วไหลเข้าไปในระบบด้วยนะคะไทยเซิร์ฟก็มีการประสานงานค่ะแล้วก็ ประสานปรปยางหน่วยงานหลักๆนะคะก็คือเซิร์ชของประเทศที่ฐานข้อมูลรั่วไหลนะคะให้ดาเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์เพื่อปิดช่องโหว่ให้หยุดการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลกระทบใดๆต่อเจ้าของข้อมูลหน่วยงานหรือว่านิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้ประสานงานอย่างไร้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยและทีบีเซิร์ชนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย และมีการดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ข้อมูลนี้รั่วไหลออกไปนะคะและมันทาําผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยซึ่งเบื้องต้นนะคะไทยเซิร์ชมีการฝากมาในการที่จะเตือนประชาชนนะคะข้อแนะนําในการดูแลตัวเองสําหรับประชาชนในเบื้องต้นอย่างแรกเลยค่ะคือการตรวจสอบนะคะ ถ้ามีคนติดต่อมาหาคุณผู้ฟังมาห า, าผู้ที่เคยได้ลงทะเบียนรายละเอียดของตัวเองเอาไว้ทางเว็บไซต์นะคะ ติดต่อมาทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าไม่ได้เป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหรือเกิดจากการนําข้อมูลซึ่งรั่วไหลของท่านไปใช้ในทางที่มีชอบโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตนะคะ2ค่ะก็คือหากมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตเอาไว้กับเว็บไซต์พนันทางออนไลน์หรือมีข้อสงสัยใดๆที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ดังกล่าวต้องยกเลิกการใช้บัตรเหล่านั้นนะคะเพื่อขอออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่คุณเคยใช้อยู่และควร เปลี่ยนรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดที่ใช้ในการทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งที่ใช้ในการทำธุรกรรมใดๆทางออนไลน์เสียใไหมค่ะ ข้อที่สเลยนะคะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสําคัญอื่นใดเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือว่าเว็บไซต์ที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือค่ะซึ่งนี่แหละค่ะอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการดูแลข้อมูลของผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าคุณฝั่งเองมีข้อสงสัยใดๆที่อยากจะปรึกษาในเรื่องของข้อมูลรั่วไหลาทางอินเทอร์เนต็ตนะคะหรือว่าปัญหาทาง เน็ตต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะเข้าไปคอมเมนต์ก็ได้นะคะในเว็บไซต์ของไ e ทยเซิร์ h ค่ะ www.thaizerth.th นะคะ thai certh นะคะไ a ยเซิร์ h หรือโทรไปที่เบอร์1212ค่ะ นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะก็ฝากเตือนกันเอาไว้ด้วยใครที่เข้าไปในเว็บไซต์และมีการไปร่วมในการเล่นเว็บพนันต่างๆพนันออนไลน์นะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของการกรอกข้อมูลของเราด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลนั้นอาจจะรั่วไหลออกไปได้ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันมีเรื่ อ, อ, อ, อรงราวของการรวบตัวนักเทนนิสหนุ่มนะคะปลอม Facebook ใช้นามสกุลของนายกรัฐมนตรีไปหลอกขายนาฬิกา ออนไลน์ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะมีหญิงสาวท่านหนึ่งใช้บริการขนส่งชื่อดังปรากฏว่าส่งแหวนทองแต่กลับเปลี่ยนเป็นกล่องเปล่ามาให้นะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องราวนี้การเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ ยินดีที่เธอได้พบใครใหม่เขาดีกับเธอหรือเปล่าเขาดูแลเธอหรือเปล่าเขาดีกว่าฉันหรือเปล่าก็รู้ว่าฉันเองที่มันละเลย ก็รู้แต่ไม่เลยไม่เคยเข้าใจไม่อใเธอกลับมารักไม่อให้เธอมาเห็นใจแค่ให้อภัยกันก็พอรู้ทั้งรู้จบไปแล้ว รู้ถึงรู้ว่ามีรักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้รู้ถึงรู้ไม่มีหวังรู้ถึงรู้ว่าตัวฉันก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากไป We c a n e ก็ามาในช่วงสุดท้ายของเพือเ่อนเตือนภัยนะคะในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของการปลอม a c e b o o k นะคะเป็นนักเทนิสหนุ่มนะคะที่มีการไปหลอกโปรโฟไฟล์นะคะปลอมเ c e b o o k ใช้นามสกุลจันโอชา ค, ค่ะซึ่งเป็นนามสกุลของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปหลอกขายนาฬิกาออนไลน์นะคะมูลค่าความเสียหายนับแสนบาทค่ะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะกองบังคับการปราบปรามการระทความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทนะคะ นาวากัดเอกสมศักดิ์ข่าวสุวรรณค่ะรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือดีพร้อมด้วยพันนรรถเอกสิริวัตรดีพอ่อรองผู้บัญชาการบกอปอทอนะคะก็มีการถแถลงการจับกลุ่มนายทัศภูมิหรือนัดชัยกุลวัฒนาค่ะอายุ23ปีหลังมีการใช้เฟ e บุ๊กในชื่อสุรินยาจันโอชานะคะลอกขาย สินค้าออนไลน์นะคะโดยใช้น้ำสกุลของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งก็มีเหยื่อลงเข้ามาสั่งสินค้าแต่ว่าไม่ได้รับสินค้าจริงจำนวนมากเลยนะคะมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาทค่ะพันน้รมดเอกสิริวัฒน์บอกว่าภายหลังที่มีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กับป อ, อทอว่ามีผู้ใช้ Facebook ในชื่อสุรินยาจันโอชา ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงสาววัยรุ่นนะคะหลอกขายนาฬิกามือสองตามโพสต์การซื้อขายค่ะราคาเรือนละ2 0งพันถึบาทถูกกว่าราคาท้องตลาดซึ่งมีเหยื่อหลงเชื่อเป็นร้อยรายเลยนะคะเมื่อสั่งซื้อโอนเงินเสร็จเนี่ยก็จะบล็อกตัดขาดช่องทางการติดต่อทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็มีการสืบซ่าบเบาะแสนะคะผู้ต้องสงสัยรายนี้ว่าพักอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยจึงนำกำลังจับกลุ่มได้ที่บ้านพักเมืองตนแจงข้อหาหนายทัดภูมิกระทำผิดฐานนําข้อมูล เทสเข้าสู่ระบบตามมาตรา14วงเล็บหนึ่งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานช่อโกงประชาชนก่อนที่พนัก ง, งานสอบสวนจะคุมตัวไปฝากขังสารอาญาค่ะนายทัดภูมิผต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าได้นํานามสกุลของนายกรัฐมนตรีมาใช้เพื่อหลอกขายของค่ะมีเจตนาให้เหยื่อเข้าใจว่ามีความเกี่ยวพันกับตัวนายกรัฐมนตรีทางสิ้นนะคะแต่ไม่ได้กล่าวอ้างถึงว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรซึ่งเหยื่อเองก็ไม่ได้สอบถามอะไรโดยนายทัดภูมิ ยรับว่าติดการพนันออนไลน์ค่ะต้องการนําเงินที่ได้เนี่ยไปเล่นการพ น, นันและก็เพิ่งจะเริ่มทำมาได้4เดือนเท่านั้นนะคะจะกล้าตรวจสอบประวัติเพราะว่านายทัศภูมิชัยกุลวัฒนาผู้ต้องหาค่ะเคยเป็นอดีตนักเทนิสชายซึ่งเคยลงแข่งขันในราการกีฬามาหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่45นะคะในานามตัวแทนของมาหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นนักกีฬาความหวังแล้วก็มีอนาคตไกลแต่กลับมากระทําความผิดและถูกจับตัวเสียก่อนค่ะก็ นี่ล่ะคะ่ะเป็นเคสหนึ่งนะคะถ้าจะซื้ออะไรแล้วต้องสังเกตดูนะคุณวังสินค้านี้ทำไมราคาถูกจังของแท้หรือเปล่านะคะแล้วก็เอ๊ะถ้าสั่งไปแล้วจะได้รับสินค้าหรือไม่นะคะเดี๋ยวนี้สามารถที่จะเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะ ก็เบื้องต้นเลยค่ะก็นําข้อมูลส่วนตัวนี่นแหละค่ะอาจจะไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ก็จะมีการขึ้นประวัติกันอยู่นะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยเขาก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันมานะคะว่าในเลขบัญชีนี้ในชื่อนี้นะมิชาชีพเนี่ยเคยใช้ใช้ชื่ออะไรบ้างนะคะเคยใช้เลขบัญชีอะไรบ้างนะในการที่จะหลอกลวงลูกค้านะคะก็สามารถเซิร์ชดูในเบื้องต้นได้ส่วนใครที่จะซื้ อ, อตามร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ได้ด้วยค่ะ ทิ้ท้ายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องราวของหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะซึ่งมีการพูดถึงการใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าชื่อดังนะคะหลังมีการส่งแหวนทองแต่กลับเจอเปลี่ยนเป็นกล่องเปล่าค่ะของหายแถมต้นสังกัดตอนนี้ก็ยังไม่รับผิดชอบอีกด้วยนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ค่ะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักภหลังจากที่มีผู้ชายเฟซบุ๊กตังเม เมวิกามีการระบุนะคะเตือนภัยและตามหาขโมยรอไม่ไหวดูนิ่งเกินขนส่งชื่อดังสาขาเมืองชุมพรพร้อมกับเผยเรื่องราวการใช้บริการขนส่งชื่อดังส่งแหวนทองมาให้พี่สาวแต่กลับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนกล่องและของหายค่ะโดยยังไม่มีการรับผิดชอบใดๆทําให้เรื่องราวดังกล่าวนี้กลายเป็นวิพากย์จานนะคะล่าสุดค่ะผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นะคะ ตังเมเมวิกามีกา ร, ปรเปิดเผยข้อมูลบอกว่าวันที่1สิงหาคมเนี่ยได้นําแหวนทอง1สลึงหนึ่งวงเครึ่องสลึงสองวงใส่ถุงซ้อนหลายชั้นนะคะไปส่งของที่บริษัทขนส่งชื่อดังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อจะส่งไปให้พี่สาวเที่อาศัอยู่ย่ติอ่อนนุชกรุงเทพมหานครโดยตอนที่กําลังจัดส่งนั้นเนี่ยพนักงานเคาน์เตอร์ก็ถามว่าอะไรก็แจ้งไปว่าเป็นแหวนพนักงานก็ถามอีกว่าแหวนอะไรก็เลยบอกไปว่าแหวนทองซึ่งพนักงานก็ให้แพ็ค ก, กล่องสีขาวติดด้วยเทป ขนส่งสีเทาติด ทุกด้านทุกบุ่มนะคะแล้วเขียนชื่อผู้รับผู้ส่งด้วยปากกาพนัก ง, งานก็แปะหน้ากล่องให้เสร็จทุกอย่างค่ะไม่มีการแนะนําว่าการส่งของมีมูลค่าควรทาประกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะต้องมีการทําประกันด้วยนะคะพอเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะของก็นําไปส่งที่บ้านพี่สาวค่ะแต่พี่สาวไม่อยู่บ้านก็ขอให้พนัก ง, งานเนี่ยโยนกล่องเข้าไปในรั้วบ้านซึ่งหลังจากที่กลับบ้านในวันที่ส1สิงหาคมถ่ายรูปกล่องส่งให้ดูปรากฏว่าเป็นกล่องคนละแบบกับที่ตนแพ็คไม่มีแหวนมีการแกะ บาโคดอันเก่ามาแปะกล่องใหม่และแผ่นที่ คุณตังเมยนะคะใช้ปากกาเขียนแปะก็หายไปหลัจากนั้นค่ะคุณตังเมยเองมีการเดินทางไปที่สาขาที่จัดส่งนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีกล้องวงจรปิดขอประสานงานให้แล้วก็ขอเรียกวเวลาดําดเนินเรื่องส่วนทางพี่สาว ก, ก็ไปสอบถามที่สาขาฝั่งอ่อนนุชก็แจ้งว่าได้รับกล่องแบบดังกล่าวมาจากทางต้นทางไม่มีการสับเปลี่ยนจากปลายทางแน่นอนเพราะทางนี้ใช้กล่องสีน้ําตาลและเทปใสแต่ทางต้นทางใช้กล่องสีขาวเทปแบบทึบค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณตังเมย์ก็คิดว่าด้วยความที่เป็นบริษัทขนส่งดังเนี่ยไม่ น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะก็มีการอาบอกว่าส่งแหวนทองไปไม่ได้คิดอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยเคยส่งของมีค่าก็ไม่มีเรื่องเกิดขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็มีการส่งเรื่องเคลมไปยังต๊ะสังกัดบริษัทขนส่งชื่อดังผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ยังเรื่องเงียบนะคะจึงอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนมีความระมัดระวังในการใช้บริการขนส่งสินของอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะการส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะ แนะนำเลยว่าไม่ควรจะต้องส่งทางไปรษณีย์นะคะไม่ควรจะส่งทางไปรษณีย์เด็ดขาดไม่่าจะเป็นเรื่องของการส่งทองนะคะการส่งเงินนะคะเพราะว่ามักจะมีความเสี่ยงที่สิ่งของเหล่านั้นจะหายอยู่เสมอนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่อยากจะฝากเตือนเอาไว้นะคะ ก่อนที่เราจะส่งเนี่ยอาจจะมีการสอบถามกับทางพนักงานนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะส่งได้แต่ว่าก็จะมีเรื่องของการทําประกันการของหายด้วยซึ่งก็ต้องยอมทําประกันนะคะถ้าหากว่าคุณจะยอมรับความเสี่ยงในการที่จะส่งสินค้านั้นๆค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานํามาพูดคุยกันในรายการของเรากับเพื่อนเติอนภัยนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนเตินภัยได้ในทุกๆวันพฤหัสบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะนอกจากนี้นะคะยสามารถ พูดคุยกันในแฟนเพจ a c e b o o k วิทยุราชมงคลธัญบุรีด้วยค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปากกทานังและทางทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามและฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University